น่าจะเจอแขกของโรงแรมคนอื่นบ้างหรืออย่างน้อยก็ต้องเจอเจ้าหน้าที่โรงแรมในห้องอาหารแน่นอนก่อนถึงห้องอาหารผมยังเจอเด็ก3ามคนวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเอาวะเพื่อขจัดความแครงใจว่าเด็กคือคนแล้วยายจวนคือใครผมเอ่ยปากเรียกเด็กๆอย่างกลัวปนกล้าหนูหนูหนเด็กๆหยุดเล่นแล้วหันมาพร้อมกันพี่ขอถามอะไรหน่อยที่ว่ายยจวน ยายจวนหรือผียายจวนน่ะคืออะไรเหรอหนึ่งในนั้นเ อ, อ่ยขึ้นด้วยสีหน้าตื่นเต้นน้ำเสียงสมวัยเด็กก็ผียายจวนไงแกเป็นแม่บ้านที่นี่ผมนิ่งอึง้งใจหายว่าแล้วเด็กผู้หญิงก็พูดต่อมาว่าแม่หนูบอกว่าไม่ให้มาวิ่งเล่นแถวนี้คนเดียวเดี๋ยวดนผียายจวนจับหักคอเอาไปเร็วเดี๋ยวผียายจวนมาหักคอเอาแล้วเด็กๆก็พากันวิ่งไปทางตึกหน้าของโรงแรม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 ผมตัดสินใจเอื้อมมือที่สั่นไปหยิบโทรศัพท์แล้วยกหูขึ้นฟังแล้วเสียงจากปลายสายก็พูดว่าคุณพี่คะจากฟร้อนนะคะเสียงที่ได้ยินทำให้ผมใจชื้นขึ้นมามา่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานที่แห่งนี้ ค, ค, ครับผมพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดเธอพูดต่อคุณพี่เสียกุญแจลืไมไว้ที่หน้าห้องคะ่ะเพื่อความปลอดภัย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 ก็เป็นตัวช่วยชั้นดีให้ผมหลับลงได้บรรยากาศยามเช้าตรงข้ามกับเมื่อคือนนี้โดยสิน้นอากาศที่สดชื่นของต่างจังหวัดทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยแม้เมื่อคือนจะหลับไม่ค่อยสนิทก็ตามหลังจากอาบน้ำแต่งตัวเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วผมออกจากห้องเพื่อที่จะไปเช็กเอาทานอาหารเช้าแล้วค่อยไปที่ห้องประชุมเดินกลับทางเดิมกับที่มาเมื่อวาน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 มีอะไรหรือเปล่าคะก่อนที่ผมจะเอ่ยต่อไปแกรแกแกแกรกกรกผมจำได้อย่างแม่นยมทั้งเสียงและจังหวะมันดังมาจากข้างหลังผมผมรู้สึกเย็นวาตั้งแต่หัวจรดเท้าความกลัวลั่นเข้ามาที่ความรู้สึกอีกครั้งนังไงคะปัจจวนพูดถึงก็มาพอดีปัจจวนคุณพี่ก็าถามหานะ่ะหญิงสาว พ, พูดพร้อมหันหน้าบอกทิศทางผมหันตามไปเช่นกัน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 เมื่อวานผมเห็นเด็กๆ3ามคนบอกว่าป้าเป็นเ อ, อ่อเป็นอ๋อเป็นผีน่ะเหรอป้ายังไม่ตายแกทาเสียงสูงแล้วก็หัวเราะออกมาเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วเจ้าหน้าที่สาวประจําโรงแรมก็อธิบายว่าผ้าจวนที่เด็กๆพูดถึงนะ่ะแกชื่อรันจวนค่ะส่วนคนนี้ชื่อลำจวนแกเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นแม่บ้านของที่นี่มานานแล้วค่ะเมื่อปีก่อนผ้าจวนแกป่วยเอืมหนูหมายถึงป้ารันจวนนะคะ เธอพูดมาปนรอยยิ้มสดใสจนต้องออกจากงานไปรักษาตัวแล้วแกก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วค่ะไม่มีอะไรเด็กๆลูกหลานของคนในโรงแรมก็รู้จักแกดีเด็กๆ ก, ก็คงเอาไปพูดล้อหลอกกันตามประสาเด็กนะคะแล้วเธอก็หันมองมาที่ป้าลำจวนส่วนคนเนี้ยยังแข็งแรงดีแต่เป็นหวัดไอมาสองสาวันแล้วค่ะไม่ยอมหยุดงานวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะป้าประโยคท้ายเธอพูดกับป้าจวนผมยังมีประเด็นที่สงสัยต่อ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 เนื่องจากยังเช้าอยู่งานที่เคาน์เตอร์ยุ่งไม่มากนะักเจ้าหน้าที่สาวอีสองคนและป้าลำจวนจึงเข้ามาฟังด้วยหลังจากผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังสาวๆหันไปมองหน้ากันอย่างงงๆส่วนป้าจวนดูจะยังไม่เชื่อในเรื่องที่ผมพูดและเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าไอ้กอิจมันถูกไฟช็อตตายในห้องอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณจะเจอมันได้ยังไงทันทีที่จบประโยคผมอ้าปากคางตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและคนสงสยัย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 ไม่มีใครพูดอะไรหนึ่งในนั้นน้ำตาคลอเหมือนกับจะร้องไห้แล้วตั้งแต่เกิดเหตุโรงแรมได้ทำบุญบ้างหรือเปล่าผมถามด้วยน้ำเสียงปนสัน่นพร้อมควักยาดมในกระเป๋าเป้ยังไม่ได้ทำค่ะผมนึกย้อนไปถึงคำพูดของธงกิจเมื่อคืนจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้กับใครหรอกครับแต่หลังจะเกิดเรื่องขึ้นทางเจ้าของโรงแรมเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลย